สามสบายช่วงนี้ก็เหลืออีกเดือนหนึ่งก็จะออกพรรษาแล้วกายเวลาผ่านไปไวมากเลยตอนนี้เราก็จบพรรษาเกือบสองเดือนแล้วสองวันแล้วครบสองเดืนอ น, อนที่ว่าป่าสุขกโตก็มีฝนตกอยู่เป็นประจำบางครั้งบโบถนยก็ลื่นพวกโยกต้องระวังเหมือนกันเพราะเมื่อไม่นานเนี่ยเรา ม, มาได้ดูวีโอคลิปอยู่วีโอหนึ่งคือหลวงพ่อประยมกลัลยาโอถ้าลื่นล้มลื่นล้มนเย็บต้องเข็ม เห็นภาพแล้วน่ากลัวนะเพราะตอนที่ลื่นเนี่ยไม่สามารถประคองตัวเองได้เลยคือถ้ามีอะไรแข็งๆเรืออยู่ข้างหลังเนี่ยอาจจะตายได้แล้วตัวหมาเคยล้มบ่อยในวัดเนี่ยพวกโยมที่คนแก่คนเฒ่าเวลาเดินก็ให้เดินระวังกันแล้วกันเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยอาจทําให้เดี้ยงพี่กลมพิการได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เราไม่ประมาทช่วงเข้าไปศาเนี่ยเป็นช่วงที่ฝึกฝนตนเอง บางคนก็อาศัยเวลานี้แหละไม่ว่าเป็นโยมหรือเป็นพระพวกโย ม, มนนาบางคนกอดเล่าอเล่าเขา้ารรษาถ้าเป็นแม่ชีเป็นพระบางคนก็อาจจะอาศัยเวลาเนี่ยปีกวิเวกภาวนายิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองถ้าใครคพัฒนาตนเองเนี่ยคนนั้นจะถือว่าใช้เวลามีคุณค่าแต่ถ้าเกิดเรานับถอยหลังทุกวันเอ๊ะเมื่อไหร่จะออกภาษาแลที ช้าแล้วเกินอันเนี้ยเวลาเราสูญเปล่าเพราะว่าเราไปหวังความสุขจากข้างหน้าแต่ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทำประโยชน์ส่วนตัวเองและคนอื่นเนี่ยอันนั้ทุกเวล้างเราจะมีคุณค่าเลยไม่ว่าจะเป็นโยเป็นพระเป็นแม่ชีอย่างระบาสรู้สึกวตัวเองเนี่ยเข้าภาษาพีที่ไวมากเลยเนี่ยวิ่งไปสองวัดจากภาษาที่บูนหลงแล้วก็วิ่งมาสุกโตไปเอามาปั๊บเดียวเองนี่ออกภาษายอีกละก็ถือว่าเร็ว เมื่อกี้พระจามรชัยก็ได้สวดมนต์ประชิมพุโทโธว่าเป็นบทที่พระเจ้าท่านตัดไว้ก่อนบริทฑิพานท่านก็บอกว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมีความเสือ่อมไปธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดทาสวดบนพิจารสังขารซึ่งทำให้เราเนี่ยถ้าเราตั้งใจฟังนะและพิจารณาดูบทสวดมนต์เนี่ยอันนี้คือความจริงของชีวิต คนเราเนี่ยไม่มีใครหนีพ้นความแก่ความเจ็บความตายได้เลยทั่วนี้คนเราถูกความคิดหลอกให้สะสมทรัพย์สมบัติแล้วก็หาความสุขข้างหน้าตอนเป็นเด็กก็ใฝ่ายฝ่ายว่าโตขึ้นเนี่ยจะได้งานดีๆพอได้งานแล้วก็หาแฟนสวยแฟนหลอ่อแล้วก็ต่อไปก็จะมีลูกหลานดีๆอย่างเงี้ยความสุขเราอยู่ข้างหน้าหมดเลยทั้งชีวิตเ่ยหาความสุขไม่เจอถ้าพิจนารณาแล้วเราเห็นว่า ชีวิตของเราเนี่ยไม่เที่ยงเราก็ต้องมามาปฏิบัติธรรมแหละเพื่อหามิตรแท้ให้ตัวเองก็คือการเจริญสติถ้าเราไม่ฝึกสตินะเราก็ตกไปทางความคิดความคิดสั่งให้เราทำอะไรมันก็ทําอะไปเป็นตัวของตัวเองเราสังเกตคนทติดคุกติดจล า, างเนี่ยหรือเบียบเบียนคนอื่นเนี่ยเกิดจากการที่ตกไปท่าควาทั้นั้นเลยเพราะคนที่มีสติเนี่ยจะไม่ทําแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นเบียบเบีย น, นคนอื่น ทำร้ายผู้อื่นเราจะมีความเมตตาสงสารช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่คนที่ขาดสติเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ า, วาถูกร่ว ง, งเกาตาโตโตตอบนั้นคนติดคุกจึง ม, มากกว่าเข้าวัดพอเราเนี่ยเปรียบเหมือนม้าสีชมพูม้าเพีที่หนึ่งเนี่ยแค่เห็นเงาของประตักเนี่ยก็กลัวและต้องรีบเอาใจเจ้าของทำตามเจ้าของว่าต้องการ อ, าอะไร มาประเภทที่สองอันนี้ดื้อขึ้นมาหน่อยต้องถูกประตักสกิดผิวถึงจะทำตามเจ้าของมาประเภทที่สามดื้อขึ้นมาอีกต้องถูกประตักแทงเข้าไปเข้าไปในเนื้อจึงรู้สึกว่าต้องทำตามเจ้าของประเภทที่สี่อันนี้ดื้อมากเลยต้องแทงถึงกระดูกอะถึงจะทำตามเจ้าของ ถ้าเปรียบม้าเพียงแรกก็คือเหมือนคนเนี่ยได้ยินข่าวว่ามีคนนู้นคนนี้ตายเราก็เกิดความสศกสังเวชคิดว่าความตายเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องทำความความไม่ประมาทเพราะถ้าประมาทเนี่ยเราตายจากขาดที่พึ่งก็ได้ส่วนม้าเพศที่สองที่โดนปะตักสกิดผิวเนี่ยก็คือเหมือนญาติโยมเนี่ย ได้ยินได้ข่าวคนตายก็ยังเฉยๆมีความรู้สึกว่าไม่ไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองอ่ะอันนี้ต้องเห็นด้วยตาตัวเองอะเห็นรถกําลังชนคนตายต่อหน้าต่อตาเลือดท่วมไหลนองหรือเห็นคนฆ่าตายหรือเห็นกับตาตัวเองอันนี้ถือจะเกิดความโศ ส, สังเวทแล้วก็มาทําความเพียรประเภทที่สามคือแทงเข้าไปถึงเนื้อเนี่ยก็ถือประเภทที่ว่าได้ยินก็แล้ว เห็นก็แล้วก็ยังไม่ค่อยสลดนะก็ต้องเหตุร้ายต้องเกิดกับญาติตัวเองญาติพี่น้องลูกหลานคนรักพ่อแม่อันนี้เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยหนักอันนี้ถึงจะโสดสังเวชแล้วก็ไม่ประมาททำความเพียรเนี่ยแต่สุดท้ายก็แย่นหน่อยมาเพทที่สี่ก็คือต้องแทงป่าตักึกระดูกเนี่ยประเภทนี้ก็คือประเภทต้องเกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องคนอื่นเนี่ย มันไม่สลดสังเวชอาจจะตัวเองเนี่ยจะต้องป่วยหนกัก mm hmm. เกิอดอุบัติเหตุพิกรพิการหรือใกล้าตายเนี่ยแบบเวลาจะกินก็ไม่อร่อยจะทำอะไรก็ทำไม่ได้อย่างเงี้ยถูกบีบคั้นอย่างแรงจากเวทนาที่เกิอดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยอันนี้ถึงจะสลดสังเวชแล้วถึงจะมาทำความเพียรคือเห็นทุกข์ไงจึงอาจจะเข้าวัดฟังธรรมหรือทาบุญใสบาตอะไรพวกเนี้ย คนทั่วไปจะอยู่ประเภทที่สี่ประเภทแรกไม่ค่อยมีหรอกประเภทได้ยินได้ยินข่าวแล้วสลด ส, สลดสังเวศเนี่ยนอกจากคนที่มีปัญญาเคยบำเพ็ญเพียรมาก่อนประเภทหนึ่งประเภทสองในส่วนมากมักจะมาบวชเป็นพระกับไม่ชีพราพวกนี้อยู่ทั้งโลกเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในความปลอดภยัยทิ้งทรัพย์สมบัติมาบวชแต่ส่วนโยมที่เมาเช้าเมาเย็นเนี่ยส่วนมากกัประเภทที่4นนี่พวกนี้ต้องแบบทุกขเวรานะหรือป่วยหนักอะถึง ถูกหมอหมอให้กี่เล่าไม่ได้อะไรเงี้ยคือจนถูกหมอห้ามเลยแหละซึ่งมีทั่วไปพวกนี้จะไม่มาวัดหรอกง่ายๆหรอกตั้งอยู่ในความประมาทอย่าพวกโยมมาวัดน่ยนมาเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่สองก็สแต่หนึ่งมีน้อยหนึ่งนี่อาจจะบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นทุกข์ให้ได้พวกหนึ่งแล้วเอาจริงมากแต่ก็ไม่รู้ทุกคนเป็นพวกไหนมาสียมพวกนี้อย่างการพิจารณาความตายเนี่ยหรือมานานรรคสติเนี่ย อย่างน้นอยๆมีประโยชน์สอย่างเลยประโยชน์ข้อที่หนึ่งนะก็คือทําให้เราเนี่ยไม่ผัดวันประกันพรุ่งข้อที่สองทำให้เราเนี่ยปล่อยวางในสิ่งยุติธต่ตตตตางๆข้อที่สามทำให้เราเห็นคุณค่าสิ่งที่มีอยู่อันนี้คือประโยชน์ที่เห็นเลยอย่างเรื่องผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยอาจมาเชื่อว่าทุกคนเป็นนะอาจว่าเอ๊ะตอนนี้เราเรายังหนุม่มยังสาวอยู่ยังไม่แบบปฏิบัติทําดีกว่าเราไปเที่ยว สนกสนานดูหนังฟังเพลงเดีย๋ยวตอนแก่ค่อยเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ได้อันี่คิดแบบนี้นะมีงานก็มีความรู้ว่าออย่ารีบทําเลยเหนื่อยเอาไว้ทําพรุ่งนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้ก็นัดผัดไปพรุ่งนี้ต่อยคือเป็นดินพ่อหางหมูอย่างตัวธรรมารเนี่ยคิดถึงเรื่องนี้แล้วบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราจะตายตอนไหนก็ได้บางทีเสียงขอจะไปสารหรือวิดีโอเนี่ยอันมาทําเสร็จจะรีบรีบอัพลงเน็ต แล้วก็แชร์ไปให้พวกโยมได้ได้ชมได้ฟังกันทีเลยเพราะว่าถ้านออกมาไว้โพสต์วันพรุ่งนี้เกิดตายขึ้นมางานก็ค้างถ้าทําได้ต้องทําให้เสร็จเสร็จไปเลยดีกว่าเราก็มีความสุขแล้วเหมือนกับว่าสบายใจยอมเหนื่อยทําให้ทําให้เส็จเสร็จถ้าเกิดเราตายขึ้นมาเราก็ใจเราก็ไม่ติดค้างเรื่องนี้ น, นี่คือประโยชน์ของการพิจารณาความตาย คือไม่ไม่ทำให้เราเนี่ยเป็นคนมีทิสัยผัดวันประกันพุ่งและข้อที่สองเนี่ยทำให้เราเนี่ยปล่อยวางในสิ่งที่ยึดติดสิ่งที่ยึดติดนี่โอ้มีมากมายเหลือเกินชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองภรรยาสามีลูกหลานมือถือแล้วก็อื่นๆที่เราชอบอะ่ะโอ้นับ ไ, ไม่ไหวเลยไหวตือแม้แตยึดติด ในอารมณ์ที่ตัวเองไม่ชอบอารมณ์เกลียดอารมณ์โกรธหรือรู้สึกว่าตัวเองมีความผิดอันนี้คนทั่วไปจะมีเพราะตัวเองผิดนะเวลาทําอะไรไม่ไม่ดีไว้อิจต้าสมนึกคนเราจะดีทุกคนแต่ที่ทําไปว่าขาดสติการพิลาฟามตายเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยปล่อยวางได้คือปล่อยวางตรงที่ว่าทําให้เราเวลามีทรัพย์ได้รับสักกาะเราก็ไม่ติดเวลาเสียของหายของเจ๊งของพัง เราก็ไม่เสียใจเวลาคนรักตายเราก็ไม่ทุกข์หรือพ่อแม่ญาติพี่น้องเรารู้ว่าสักวันท่านก็ต้องจากเราไปเงี่ยคือเราเห็นว่าท่านไปขอไม่เที่ยงอยู่แล้วแม้แต่ครูบาอาจารย์ของเราก็เหมือนกันท่านก็ไปขอไม่เที่ยงทุกคนไปขอไม่เที่ยงหมดเราก็ต้องฝึกปล่อยวางมีหลวงปู่อยู่ท่านหนึ่งตลอดชีวิตของท่านเนี่ยท่านมองโลกในแง่ดีท่านมีความสุข ใครๆก็ขนานนามท่านว่าหลวงปู่ดิเนาะท่านอยู่ที่จังหวัดอุดรวัดพระชีมาวาดหลวงปู่เนี่ยท่านเป็นเจ้าคุณชั้นเทพนะในหลวงตั้งให้ฉายาว่าพระเทพวิสุทธาจารย์สาธุทธานธรรมวาทีก็คือผู้มีปาจาภเลาะท่านเกิดในยุคของหลวงปูม่ม่นนะ่ะคือท่านเกิดปีพศ2415แต่ละสังขารไป ปีพศ2513อา25ยุ68ปีเรื่องของท่านเนี่ยละมาช่อด ม, มาเล่าคิดว่าในที่นี้เกิน 50% เนี่ยคงยังจะไม่ได้เคยฟังมาก่อนแต่คนที่เคยฟังแล้วก็ฟังอีกก็กดีเหมือนกันคือหลวงปู่เนี่ยท่านมองโลกในแง่ดีเวลาเกิด อ, อะไรขึ้นเนี่ยท่านก็ชอบพูดคำว่าดีเนาะดีเนาะจนติดปากเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกศิษย์นิมนต์ท่านไปฉันอาหารเพล และแสดงธรรมที่บ้านเพลินวันนั้นเน่รถ ด, ดันเสียทำให้มารับสายหลวงปู่ก็คอยแล้วคอยเล่ารถไม่มาทีตอนแรกก็ตั้งใจจะไปฉันที่บ้านงานนั่นแหละหลวงปู่ก็ก็นำอาหารตัวเองมาฉันแล้วก็พูดว่าก็ดีเนาะฉันอาหารเราเองก็ได้ตักอาหารไปได้ไม่กี่ช้อนรถก็มาถึงลูกศิษย์ก็ บอกให้รีบไปเพราะว่าบ้านอยู่บ้านงานอยู่ไกลหลวงปู่บอกก็ดีเนาะไปฉันบ้านงานก็ดีเนาะก็คือรถไปรถวิ่งไปสักพักหนึ่งรถมาเสียอีกคนขับก็ลงไปซ่อมหลวงปู่บอกก็ดีเนาะได้ชมวิวข้างทางคนขับซ่อมเท่าไหร่ซ่อมเท่าไหร่รถก็ไปติดสุดท้ายต้องมาให้หลวงปู่ลงไปช่วยเข็นหลวงปู่ตอนนั้นก็อายุมากแล้วหลวงปู่ก็ลงไปช่วยเข็นหลวงปู่ก็บอกก็ดีเนาะได้ออกกำลังกาย ก็เข็นไปเข็นมาจารถติดอะพอเพลินวันนั้นน่ยไปถึงบ้านงานก็เลยเพลินหลวงปู่ฉันเช้าไม่กี่ช้อนเพลงนก็อดฉันไปถึงเจ้าภาพก็นิมนต์ขึ้นทำบ้านแสดงธรรมเลยหลวงปู่ก็บอกก็ดีเนาะมาถึงได้ทำหน้าที่เลยระหว่างที่หลวงปู่แสดงธรรมอยู่ลูกศิษย์ก็ไปชงกาแฟมาถวายด้วยความรีบร้อนดันไปหยิบกระปุกเกลือแทนน้ำตาลหลวงปู่ ฉันไปได้บระานครึ่งแก้วอะ่ะหลวงปู่บอกก็ดีเนาะฉันกาแฟหวานๆมามากแล้วฉันคิมบ้านก็ดีเนาะแล้วก็วางแก้วไว้ลูกศิษย์เห็นหลวงปู่ทานเหลือก็ถือว่าการได้ทานทานของเหลือจากครูบาอาจารย์เถือเป็นสิริมงคลจึงมาขอหลวงปู่ทานทานกาแฟไปได้คํหนึงก็พ่นพวดไปเลยตวอหลวงปู่ ใช้ไปได้ไงเนี่ยคีบิปปีหลวงปู่ก็ยิ้มยิ้มไม่ว่าอะไรแต่เหตุการณ์ที่คนจดจาร์เงนมากก็คือมีอีกครั้งหนึ่งปีโจรมาปล้นหลวงปู่โจรไปคงสืบมาแล้วแหละว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นเจ้าคุณด้วยคงมีทรัพย์สมบัติมากมาถึงมันก็ข่มขู่เลยมีของมีค่าอะไรส่งมาให้หมดหลวงปู่ก็มองหน้าโจรโดยสีหน้าที่ไม่ตกใจเล ย, เลยสีหน้ายิ้มเย้ยแจ่มใส บอกเองจะเอาอะไรเอาไปให้เลยข้าเบื่อเฝ้าสมบัติว่าบ้ามานานแล้วเองเอาไปก็ดีเนาะโจมันก็ยังไม่จบแค่นั้นมันก็บอกข้าเนี่ยไม่ได้ป่วยอย่างเดียวจะต้องฆ่าด้วยนะการหลวงปู่ไปบอกตำรวจหลวงปู่ก็บอกก็ดีเนาะข้าเนี่ยแก่มากแล้วเบื่อที่ต้องดูแลร่างกายสังขารที่เสื่อมโทรมลงทุกวันทุกวันเองฆ่าข้าก็ดีเนาะโจได้ฟังนั้นๆเกิดเกิดใจอ่อน จึงบอกว่าอย่างนี้ฆ่าไม่ฆ่าก็ได้หลวงปู่บอกไม่ฆ่าก็ดีเนาะจนมันมันงงนละมันก็ทมันก็บอกหลวงปู่จะเอาไงฆ่าก็ดีไม่ฆ่าก็ดีหลวงปู่ก็บอกว่าถ้าเองฆ่าฆ่าเนี่ยเองก็ต้องถูกตํารวจตามจับต้องติดคุกเผลอโดนตารวจยิงทิ้งตายไปแล้วกตกตะลกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นเองไม้กาฆ่าเนี่ยจึงดีเนาะ จนฟังทังนั้นมันก็ได้คิดนะวันนั้นก็เลยไม่โป้นแล้วก็ไม่ฆ่ากลับไปตัวเปล่าอันนี้คือการบองโลกในแง่ดีการปล่อยวางของหลวงปู่ธรรมะหลวงปู่ดีนอเนี่ยใช้กับชือประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นอากาศหนาวอากาศหนาวแล้วก็ดีเนาะ อ, อากาศร้อนแล้วก็ดีเนาะรอใครนานรอแล้วรอล่ลาเขาไม่มาทีก็ดีเนาะรถติดก็ดีเนาะถูกด่าก็ดีเนาะ เจออะไรที่ขัดใจก็ดีนอ้อดหชีวิตของเราก็จะแบบทุกข์น้อยลงแหละรเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยจริงแต่ถ้าเราไม่ดีนอ้อเนี่ยมีเรื่องหมดนะใครบอกว่าเราเนี่ยมึงว่ากูหัวหรือขัดใจอะ่ะเพราะในโลกโลกธรรมเนี่ยมีลาบเสือเส่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกขมีเสื่เสียมีดินทาเนี่ยทุกคนต้องเจอไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นคนนั้นจะเป็นรวยขนาดไหนมีชื่อเสียขนาดไหนก็โดนดา่าไม่มีใครรอดพ้นจากการโดนดินทาหรอก ถ้าเราไปแคร์คนอื่นมากบางทีเราก็หมดกําลังใจในการทําความดีนะดงั้นเราก็ต้องไปตัวรู้เองถ้าเราทําความดีเราก็ต้องไม่ลังเลต้องทําไปเรื่อยๆอย่าให้คนอื่นบั่นทอนกําลังใจเราถ้าบางคนน้อยใจเก็บตัวไปเลยหนีตัวเองบางทีหนีไม่พ้นหรอกในโลกนี้มันต้องมีสังคมการอยู่ร่วมเราก็มีกําลังใจในการทํางานทําความดีสร้างบุ้สร้างผุ้สน ลูกปุรีนอตเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ดีที่ใช้ในการปล่อยวางการยึดติดต่างๆได้มาข้อที่สามข้อที่สามเนี่ยจะทำให้เราเห็นว่าเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่เพราะธรรมดาคนเราไม่เคยเห็นคุณค่าหรอกเมื่อจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์คนรักบางทีเรามาคิดถึงเขาเลยเห็นคุณค่าตอนเขาจากเราไปแล้วแหละอย่างสามีภรรยาเนี่ยตอนอยู่ด้วยกันเนี่ย บางทีสามีดีต่อภรรยาร้อยครั้งพนงันครั้งหมื่นครั้งภรรยาก็จะมีความสุขเฉยๆชินชาไงคือชินแต่ความดีแต่วันไหนสามีดุด่าภรรยาสักครั้งสองครั้งนั่นแหละภรรยาจะจําจไม่ลืมเลยสามีก็เช่นกันหรือพ่อแม่บางทีดีต่ลูกร้อยครั้งพนงันครั้งหมื่นครั้งแต่วันไหนถ้าขัดใจลูกหรือด่าลูกตีลูกลูกจะจําจสิ่งที่เราทําไว้ไม่ลืมเหมือนกัน คือทุกคนจะมีความรู้สึกว่าคือต้องรับความดีจากคนคนนั้นอะ่ะจนชินไงลูกก็คิดว่าต้องรับความดีจากพ่อแม่จนชินคือมีความเู้สึพ่อแม่ต้องให้เราจะต้องซื้อของให้เราต้องพาเราเที่ยวต้องเลี้ยงเราอะไรเงี้ยเป็นเป็นหน้าที่ไงสามีหรือภรรยาก็เหมือนกันภรรยาก็มีความรู้สึกว่าสามีต้องดีกับเราอะไรเงี้ยถ้าไม่ดีก็ต้องคือมันขัดใจอะ่ะโลกทั่วไปจะเป็นอย่างนี้จริงพอทออะเลาะกันไม่กีกครั้งก็เลิกกันไป หรือความดีที่เคยมีอยู่หรือ ม, มิตรภาพเพื่อนก็นเหมือนกันเพื่อนบางคนคบกันมาไปสี่สิบปีทะเลาะกันแค่ครั้งสองครั้งก็เลิกคบไปแล้วมีแต่ช่วงที่ดีต่อกันเนี่ยเขาไม่คิดไงเขาจะไปเห็นคุณค่าต่อเมื่อสิ่งนั้นไม่มีอยู่แล้วอย่างคนเราจะเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็สายชปแล้วสุขภาพก็เช่นกันอย่างอย่างตอนนี้เราสุขภาพดีไม่ป่วยไม่เจ็บ แต่เราไม่คุณค่าหรอกเราจะคิดถึงก็ตอนเมื่อเราเนี่ยนอนบางง่าบับางงาบเจ็บป่วยได้รับทุกเวทนาเนี่ยแขนขาเจ็บทํางานไม่ได้กินอะไรไม่อร่อยตอนนั้ น, นแหละเราเคุณค่าตอนที่เราดีอยู่แล้วเราก็ต้องถลอมไว้ถ่อมคุณค่าของปัจจุบันไว้เราจะเล่านิทานยกตัวอย่างให้โยมฟังกเรื่องหนึ่งนิทานเรื่องนี้เขียนโดยตอสตอยนักเขียนชื่อดังของชาวรัสเซียเรื่องอะไรสัมพันธ์ที่สุด มีพระราชาอยู่องค์หนึ่งพระราชาเนี่ยมีปัญหาแก้ไปตกอยู่สามข้อพระราชาคิดว่าถ้าแก้ปัญหาสามข้อนี้ได้เนี่ยพระองค์จะทำอะไรก็ไม่ผิดไม่พลาดสามข้อก็มีข้อที่หนึ่งเวลาอะไรสาคัญที่สุดข้อที่สองใครสาคัญที่สุดข้อที่สามภารกิจอะไรสําคัญที่สุดพระราชาคิดปัญหาไม่ตกจึงเปล่าประกาศเลยว่าถ้าใคร ไขปิศนาสามข้อที่ได้เนี่ยพระ อ, องค์จะให้รางวัลมากมายเลยแต่จนแล้วจนรอดก็มีใครได้รับรางวัลจากพระ อ, องค์เพราะว่าไม่มีใครตอบถูกใจแกพระชากุ้มยายต่อไปกาลเวลาผ่านไปก็ได้ยินข่าวว่ามีฤาษีอยู่ท่านหนึ่งอยู่บนภูเขาสูงแต่ฤาษีท่านนี้มีภูมิฝวามรู้มีปัญญามากแต่มักไม่ค่อยต้อนรับคนรวยคนมีอานาจชีวิตติดดินคบคนจนมากกว่า พระราชาจึงวางแผนไปหาฤาษีโดยปลอมเป็นชาวบ้านธรรมดาแหละแล้วก็นำทหารคนสนิทไปด้วยสองสามคนและให้ทหารอยู่ตีนเขาพระราชาก็ปีนเขาขึ้นไปหาฤาษีคั้นถึงบนเขาแล้วพระราชาก็เห็นฤาษีเนี่ยกำลังขุดดินอยู่ฤาษีเนี่ยอายุมากแล้วขุดดินไปก็แรงท่าทางเหนื่อยอ่อนไปคือการขุดดินใช้แรงมากเลย พระราชาในคับชาวบ้านก็ปี่เข้าไปถามเลยว่าตัวมีปัญหาสามข้อเนี่ยคือว่าเวลาไหนสําคัญที่สุดใครสําคัญที่สุดภารกิจอะไรสําคัญที่สุดขอให้ท่านผู้รู้ตอบด้วยฤาษีก็ตั้งใจฟังนะแต่ก็ยังไม่ตอบพระราชาสงสารฤาษีจึงขอจอบแล้วขุดดินต่อขุดดินแทนท่านฤาษีก็ไม่ว่าอะไรพระราชาขุดไปได้สักพักหนึ่งก็เอ่ยถามปัญหาเดิมอีกและ ฤศีก็ไม่พูดอะไรแล้วเอ่ยปากขอจอบคืนคือพักขายเหนื่อยแล้วแต่พระราชาไม่ยอมส่งจบให้นะก็ขูดตอน แ, แรกก็ขูดหน่อยเดียวตอนหลังก็ขูดจนขุดคงจะขุดมากอะ่ะจนผ้าที่ตกดินแหละฝามืดค่ำก็เยอะเริ่มมาเยือนพระราชาก็เข้าไปหาฤหศีบอกว่าปัญหาของผมเนี่ยถ้าท่านตอบไม่ได้ผมก็จะลากลับแล้วฤศีไม่ได้ว่าอะไรนะฤศีก็ บอกให้ตั้งใจฟังแล้วตอนนี้มีเสียงอะไรมีเสียงได้ยินเสียงอะไรไหมพระราชาตั้งใจฟังก็มีเสียงคนวิ่งมาสะพังก็มีคนวิ่งมาถึงนัแหละชายวัยกลางคนหนวดขาวๆแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสมาเลยคือว่าโชคเลือดอ่ะฤาษีก็บอกให้พระราชาเนี่ยช่วยรักษาบาเจ็บให้ชายคนนี้พระราชาก็รีบนําผ้าของตัวเองอมาซับเลือดคือใช้เสื้อตัวเองนั่แหละ ซับเลือดให้ชายผู้บาดเจ็บเนี่ยซับแล้วซับอีกจนเลือดแห้งชายคนนี้ก็หิวน้ำํำฤาษีก็บอกให้พระราชาเดี๋ยไปตักน้ําที่ลาธารมาให้พระราชาก็ไปตักหลังจากทานน้ําแล้วด้วยความหนือยอ่อนฤาษีก็พาพระราชาแล้วก็คนเจ็บเนี่ยไปนอนที่กระท่อบของตัวเองตัวให้เขาเจ็นนอนเป็นเตียงฤาษีก็นั่งภาวนาพระราชาก็นอนพิงประตูหลับไปเพราะว่าเหนื่อยไปทั้งวัน ตั้งแต่ปีนเขาขุดดินช่วยคนเจ็บอีกคือเสียพลังมาเยอะเลยพอรู้ตัวอีกทีก็สว่างแล้วแล้วก็เห็นชายคนที่บาดเจ็บเน่ยจ้องหน้าจ้องหน้าตาแม่งกับพริบเลยสักพักหนึงชายคนนั้นเอ่ยขึ้นว่าพระองค์อาภัยให้ข้าเถิดอาภัยจะโทษได้ข้าพรเจ้าเถิดพระชายงงอาภัยเรื่องอะไรชายคนนั้นก็บอกว่าเดิมทีเนี่ย ข้าเนี่ยตั้งใจจะมาฆ่าพระองค์โดยรออยู่ที่ข้างล่างแต่รอแล้วรอแล้วพระองค์ก็ไม่ลงมาทีแล้วพระอไปเจอทหารของพระองค์เนี่ยที่เฝ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยทหารพวกนั้นจำได้ก็เกิดต่อสู้กันแล้วข้าพเจ้าก็ถูกอาวุธบาดเจ็บสาหัสเนี่ยที่รอดชีวิตได้เนี่ยเพราะหนีมาหาพระองค์ข้าพระองค์รู้สึกละอายใจมากที่คิดฆ่าท่าท่านแต่ท่า น, านกลับช่วยข้า พระชาตรก็ถามว่าเพราะเหตุใดท่านถึงคิดฆ่าข้าเมื่อก่อนท่านเนี่ยฆ่าพี่ชายของข่าในสนามรบแล้วก็ยึดทรัพย์สมบัติของพี่ชายข้าอีกข้าเลยอาฆาตท่านสัญญาตัวเองว่าต้องฆ่ า, าให้ได้แต่วันนี้ข้าพเจ้าได้เห็นน้ําใจของท่านแล้วต่อไปจะไม่จองเวกับท่านแล้วขอใขอใพระ อ, องค์เนี่ยอภัยใหข้าเถิดข้าจะบอกลูกบอกหลานว่าต่อไปนี้จะพักดีต่อพระ อ, องค์ เรื่องแล้วไปแล้วขอให้แล้วไปพระราชาได้ปลื้มใจมากเลยกขาบอกเรายินดีให้อภัยหลังจากนั้นพระราชาก็ให้ชายคนนี้ไปรักษาพยาบาลแล้วก็สัญญาว่าจะให้คขังหลวงเนี่ยคือทรัพย์สมบัติให้หมดทั้งหมดที่ยึดป่าให้พระราชาดีใจนะที่ว่าเปลี่ยนจากศัตรูเป็นมิตรได้หลังจากส่งชายคนนั้นแล้วพระราชาขึ้นไปหาฤาษีตอนนี้ฤาษีกําลังหว่านไม่ไดพันธพืช ลงวนแปลงที่เมื่อวานขุดไว้พระชายเข้าไปถามด้วยปัญหาเดิมอะ่ะฤศีก็ยิ้มยิ้มแล้วตอบว่าท่านรู้คําตอบแล้วไม่ใช่เหรอพระชายยิ้มงงหนักเลยว่าคาตอบคืออะไรฤศีอธิบายถ้าถามเข้าว่าเวลาไหนสําคัญที่สุดก็คือตอนที่ท่านสงสารเห็นว่าข้าแก่เนี่ยแหละแล้วก็มาช่วยขุดดิ น, น่ตอนนั้นสำคัญที่สุด ใครเป็นคนสําคัญที่สุดก็คือค่าเอีกก็แหละแ ล, ะแล้วภารกิจอะไรสําคัญที่สุดก็คือภารกิจช่วยผุดดินนั่นแหล ะ, แ ล, ะแล้วกรณีของชายคนนั้นก็คือตอนที่ท่านเนี่ยช่วยชายคนนั้นคือเวลาสำคัญที่สุดใครสําคัญที่สุดก็คือชายคนนั้นชายคนนี้รับบาดเจ็บภารกิจอะไรที่สําคัญที่สุดก็คือภารกิจช่วยชายบาดเจ็บพราชาจึงเข้าใจในสรริ่งที่ฤาษีบอก แต่อตอนนี้อันมาพูดธรรมะให้โยมฟังเนี่ยเวลานี้สัมพันธ์สำหรับธรรมามากเลยแล้วใครสำคัญที่สุดก็คือพวกคนที่ตั้งใจฟังอันมาพูดทุกคนสําคัญหมดภารกิจอะไรที่สําคัญก็คือภารกิจพูดธรรมะให้โยมฟังกันแหละคือทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทําได้ในขณะปัจจุบันเท่านั้นไปทำเอาข้างหน้าไปได้อันคามสุขก็หาได้เฉพาะปัจจุบันไม่ใช่ไปหาเอาอนาคต ปัจจุบันจึงเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยอธมารสวดมนต์แล้วพาโยมสวดผิดบมเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งอะตอนธรรวันเย็นอะพวกโยมคงรู้บางคนก็อาจจะไม่รู้พอผิดปุ๊บเนี่ยพวกโยมจิตตื่นเลยนะเพราะอธมาก็พยายามคือจะย้อนหลังไปสวดมนต์แก้ตัวใช่ไหแต่โยมบางคนหรือพาบางท่านเนี่ยก็สวดดันไปเลยกลายเป็นนัดทิมเมต่อเลยก็เลยแก้ไม่ได้ก็เลยต้องปล่อยเลยตำเลยไป ทุกคนจิตตื่นหมดเลยตอนนั้นพ่องงไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าคุยกับหลวงพี่ออนหลวงพี่อัลวอนนั่นแหละฝันรู้สึกตัวแหละที่ทําให้ทุกคนจิตตื่นจิตตื่นมีหลายอย่างนะคือรู้แล้วรู้แล้วในอารมณ์ที่ปัจจุบันสมมุติเราลื่นล้มเนี่ยเรารู้ขนาดแล้วกำลังลื่นล้มเนี่ยอันนั้นคือรู้แล้วจิตตื่นแต่จิตหลับก็ไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรคิดอะไรบางที น, นกร้องก็ไม่รู้ว่าเสียงนกร้อง ทำงานอยู่ก็คิดแต่เรื่องอย่างอื่นไม่รู้ตัวเองจะทำอะไรอันนี้คือจิตหลับความ ร, รู้สึกตัวมีอยู่กับทุกคนทุกคนต้องใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์คือใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันได้เห็นคุณค่าของเวลาเพราะถ้าเราไม่เหตุคุณค่าเวลาเนี่ยเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวภาพที่เขตกดีอแล้วเดี๋ยวเขวันใหม่กแล้วแต่ความแก่มันก็ตามเรานะเราก็เราแก่ลงทุกวนันทุกวนันความเจ็บป่วยอันนี้อันนี้เป็นธรรมชาติของเขาไม่มีใครหนีพ้น อันบาก็เห็นพารุ่นน้องโยมรุ่นน้องตายไปเยอะแยะแล้วคนแล้วคนเล่าหรือก่อตัวบันเหตุพี่กงพิการไปก็เยอะคือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือโลกความเป็นจริงแต่ความคิดเราเนี่ยเราอยากให้โลกเที่ยงอไงอยากมีชีวิตอยู่ป็นนานๆอยากมั่นคงอะ่ะแต่โลกความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นโลกความจริงคือไม่เที่ยงถ้าเรายอมรับความไม่เที่ยงนะยอมรับความจริงของชีวิตเนี่ยอย่าพัดพาสูญเสีย ความแก่ความเจ็บความตายได้เนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงเราก็ทำใจได้เราก็ทุกน้อยลงหรือไม่ทุกเลยก็ได้เพราะเรารู้ว่าสิ่งนั้นเกิดอยู่แล้วพูดมาก็เห็นว่าสมควรเวลาท่องกรให้โยงฟังก่อนน่งกรจบกอนพัทเทกรัตของหลวงพ่อพุทธทาสสิ่งล่วงแล้วแล้วไปอย่าฝ่หาที่ยังไม่มาก็อย่าพึงขนึงหวังอนันวานวานผ่านพ้นไม่วนวัง วัข้างหน้าหรือก็ยังไม่มาเลยผู้ใด เ, เห็นชัดปัจจุบันเรื่องนั้นนั้นแจ่มกระจางอย่างเปิดเผยไม่งอนแงนค่อนข้างดังเช่นเคยรู้แล้วเหลือยิ่งเล้าเล่งก้าวไปวันนี้เองเล่งกระทําซึ่งหน้าที่อันวันตายแม้พรุ่งนี้ใครรู้ได้พอไม่อาจบอกปัดหรือผัดไว้ต่อความตายและมหาเสนามันผู้มีเพียรเวียนไปอยู่เช่นนี้ ทั้งที่พาราตีแข็งขยันนัน่นแหละผู้พัดเทกรัสอันสัตตบุรุษผู้รู้ท่านกล่าวกันเอ่ยสุดท้ายขอให้ญาติโยมทุกท่านมีความสุขความเจอรรมยิ่งขึ้นไปเอวัง